แล้วคุณคิดว่าก้อีแค่จุด3006ที่คุณถืออยู่นั่นน่ะหยุดมันได้ทันก่อนที่มันจะกระเทือบเราหรือในกรณีที่มันเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาเล็กกว่าจุด3006ก็ได้ครับถ้าเป้าหมายคือเนินน้ำเต้าแต่ต่อให้จุด6 0 0ในโตด้วยถ้าไปถูกที่ไม่สำคัญอื่นๆก่อนจะล้มมันอาจเหยียบเราได้ก่อนในระยะประชิด ต, ตัวแค่นั้นผมนึกว่าคุณชายจะยิงมันเสียอีก แต่เห็นสะกิดผมให้ถอยก็ดีครับมันไม่ใช่ช้างงาการยิงช้างโดยไม่จำเป็นผมเองก็ถือเป็นอย่างยิ่งแสดงว่าจิตใจในการราา่าษวรของคุณชายอยู่ในระดับสูงทีเดียวต่อให้ช้างงาผมก็ไม่อยากจะทำอะไรมันถ้ามันไม่เป็นอันตรายกับเราก่อนยิ่งไปเห็นมันยืนเฉยโดยไม่รู้สึกตัวด้วยเช่นนั้นก็ยิ่งทาไม่ลงถ้าผมจะฆ่าช้างอีกในลาดับต่อไปก็เฉพาะไอแหว่งและโขงของมันเท่านั้น เรารีบไปให้พ้นบริเวณนี้ เ, เร็วเถอะประเดี๋ยวมันเกิดเดินตะลุยผ่านมาทางนี้ไม่มันก็เราเท่านั้นหลบเซต ด, ดีกว่าเป็นกุศลทั้งสองฝ่ายรถพินนํานายจ้างของเขาเดินเลาะลัดดงมะไฟป่าอ้อมเข้าสู่ป่ายางแล้วลงลําห้วยแห้งอีกครั้งเดินกันไปตามลําห้วยนั้นแล้วสกิดเชื้ท้าให้เดินหลีกงูกระปะตัวหนึ่งซึ่งนอนดิ้นไหวตัวลิกลิกลอยกลางทางเดินของลําห้วย มีรอยขาดอยู่ครึ่งตัวเพราะถูกหมูป่ากัดไว้ทั้งๆ ท, ที่สวมทับแบบคอมแบทเชธถาก็กระโดดโยงด้วยความตกใจเพราะเกือบเหยียบป่าขั้วรํานั้นนำมาทะลุออกบริเวณแอ่งรุ่มตอนหนึ่งมีเขาว่าเป็นแหล่งน้ำขังมาก่อนแต่ในขณะนี้น้ำแห้งผาพอต่รากไม้ขึ้นสู่เนินชันเต็มไปด้วยโขดหินใหญ่น้อยที่ขึ้นอยู่ระเกะระกะแวดล้อมไปด้วยป่าเถวันทึบ ก็ถึงตำแหน่งที่ซากรางนอนตายอยู่เพราะถูกเสือกัดมองเห็นได้ชัดในระหว่างโขดหินเตี้ยสองลูกเชิฐถาจะตรงเข้าไปสำรวจที่ซากรางแต่ละพินเหนี่ยวแขนไว้สั่นศรีรษะห้ามนำเข้าไปนั่งซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ตอนหนึ่งระดับสูงกว่าตำแหน่งที่กวางล้มอยู่เล็กน้อยระยะห่าง30มสิรัด้านหลังติดหินก้อนใหญ่ที่งอกอยู่บนเนินสูงเข้าที่ซุ่มเลยดีกว่าครับ มองเห็นซาาถนัดอยู่นั่นแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเข้าไปใกล้ๆซากวางตัวนั้นไอ้ลายจะไหวตัวซิีกอ่อนจอมพรานกระซิบเชิดฐาพยักหน้าอย่างเข้าใจยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายสามโมงตรงต้นไม้ใหญ่ในระแวกนั้นกิ่งใบไม่หนาทึบอะไรนักแสงตะวันบ่ายส่องกระจ่างลงมาทำให้มองเห็นภูมิประเทศได้ชัดเจนยิ่งกว่าที่อื่นและชยภูมิที่นั่งซุ่มก็เหมาะด้วยประการทั้งปวง เขาสามารถจะมองเห็นได้เกือบรอบตัวส่วนด้านหลังก็มีชะงอนหินใหญ่เป็นกำแพงบางอยู่ไม่จำเป็นจะต้องคอยพวงเบื้องหลังให้สีสมาธิกวางที่ตกเป็นเหยื่อตัวนั้นเป็นลูกกวางรุ่นๆเขาเพิ่งจะงอกออกมาเล็กน้อยเชษฐาปลดกระติกน้ำออกดื่มแล้วตรวจปืนทดสอบระยะที่จะวางลำแต่แล้วก็ส่งจุด470มาให้พรานใหญ่เอาจุด3006ของคุณให้ผมดีกว่าคุณถือไอ้นี่ไวเ้เถอะ ว่าอันที่จริงผมไม่ชอบดับเบิลไรเฟิลเลยยกเว้นถ้าจะเป็นจริงจริงยิงทีไรรู้สึกเหมือนยิงปืนลูกซองแฝดทุกทีถือติดมือมานี่ก็พราะเสียวไอแหวงเท่านั้นแล้พินส่งปืนของเขาไปให้โดยแรกเอาไรเฟิลแฝดของเชษฐามาถือไว้เสียงนายจ้างกระซิบบอกต่อมาว่าปืนของผมกระสุนพร้อมทั้งสองลำกล้องนะโปรดเซฟก็ใช้การได้เลยจุดสาของผมกระบอกนี้ คุณชายเคยลองยิงมาก่อนหรือเปล่าครับรู้สึกว่าจะยังไม่เคยจับปืนกระบอกนี้มาก่อนเลยไกลสองจังหวะนะครับระยะประมาณสามสิบขนาดนี้เลงศู์จี้ไม่จำเป็นต้องนั่งแท่นผมบรรจุลูกซิลเวอร์ทิปสองร้อยเกรนไว้เต็มอัตตาแล้วค้างอยู่ในลำกล้องนัดหนึ่งแต่ยังไม่ได้ขึ้นนกเช่ยาพยักหน้าตวัดลเฟืของพรานใหญ่ขึ้นทรดองประทับบ่าเลงศู์อยู่อึดใจหนึ่งก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจ ขยับลูกเลื่อนขึ้นลำแล้วเซฟไว้พึมพำออกมาเอาละได้การไอ้นี่ของคุณดูจะเข้าท่ากว่าจุดสมากถ้าผมรู้ชนิดและขนาดของสัตว์ที่จะยิงได้ล่วงหน้าผมชอบใช้เป็นที่เหมาะสมกับขนาดของมันมากกว่าที่จะให้มันเกินความจำเป็นไปเพราะมีความสมน้ำสมเนื้อยุติธรรมดีและการยิงก็ออกรสคุณรู้ไหมในอินเดียเมื่อนักล่าสัตว์ขออนุญาต ท, ทาการล่าเสือ เขากำหนดกระสุนขนาดไหนไว้ให้เป็นอย่างต่ำผมไม่ทราบหรอกครับจอมพรานตอบซื่อจ้องหน้าในจ้างเขาตื่นตื่นเอ๊ะรัฐบาลอินเดียมีการกำหนดขนาดของกระสุนปืนที่จะอนุญาตให้ล่าสัตว์ล่าเสือด้วยหรือครับเชษถาก้มศรีรษะลงใช่ที่เขากำหนดไว้ก็เพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้ล่าเองกระสุนแคริบเบอร์ต่ำที่สุด เขาก็จะอนุญาตก็คือต้องไม่ต่ำกว่าจุด375 S S Magnum ส่วนจะใหญ่กว่านี้ขึ้นไปเท่าไรไม่จำกัดโอ้นี่เป็นความรู้ใหม่ของผมทีเดียวผมไม่ทราบมาก่อนเลยว่าการล่าเสือในอินเดียทางการจะกำหนดขนาดของกระสุนที่โตถึงเพียงนั้นและพินคลางออกมาการล่าเสือในอินเดียเป็นสินค้าหรือเสน่ห์ยวนใจชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่ง ที่จะเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้าประเทศอินเดียกันปีละมากๆคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอินเดียเสือชุมที่สุดในโลกและรัฐบาลก็สงวนหรืออีกนายหนึ่งเลี้ยงไว้สําหรับเป็นเครื่องดึงดูดล่อใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาทําการล่าแบบเดียวกับการล่าหมีโคเดียกในอารสกติทีนี้เมื่อมันเป็นสินค้าสําหรับขายก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยแน่นอนของผู้ซื้อก่อนอื่นไม่ยอมให้อยู่ในฐานะเสี่ยงใดๆทั้งสิ้น จึงกำหนดบังคับปืนขนาดโตเอาไว้สำหรับผู้ที่ทำการล่าแต่สำหรับทัศนะของพรานอาชีพทั่วๆไปแล้วสัตว์หนังบางขนาดเสือจุด3006ก็เหลือที่จะพอเพียงแล้วขอให้ฝีมือของผู้ยิงอยู่ในขั้นพอสมควรเท่านั้นพวกพรานพื้นเมืองบ้านเราเอาลูกซองเดี่ยวยิงเสือยิงเสียด้วยซ้ำเร่าให้ฝรั่งฟังฝรั่งตาเหลือกสรุปแล้วก็คือฝรั่งขี้ขาดตาขาวกว่าพวกเรามาก ไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยถือหลักปลอดภัยแน่นอนไว้ก่อนเสมอถ้าจะมีอะไรก้ำกึ่งกันอยู่ระหว่างผลได้และผลเสียเป็นไม่ยอมเสี่ยงเด็ดขาดระพินหัวรอบเบาๆไม่กล่าวว่าอะไรเชษฐาเ อ, อ่ยยิ้มยิ้มต่อมาอย่างคุณนี้เป็นต้นเป็นพรานใหญ่ท่องเที่ยวหากินตลอดเวลาอยู่ในดงลึกเผชิญหน้ากับสัตว์ใหญ่อันตรายอยู่ตลอดเวลาแต่ไรเฟิ้นประจมือของคุณอย่างขนาดใหญ่ที่สุด คุณก็มีเพียงแค่จุด3 7หแม็กนัมเท่านั้นฝรั่งเจ้าของผู้ผลิตปืนเองรู้เข้าก็แทบช็อกไม่เชื่อว่าคุณจะดำรงชีวิตอยู่มาได้ยังไงปืนขนาดจุด3 7หโรคของวงการไลเฟิรนถือกันว่าเป็นปืนขนาดกลางเท่านั้นและฝรั่งผู้สร้างเองก็บอกไว้ว่าบางขณะอาจจะล้มช้างได้มันบอกว่าอย่างไม่แน่ใจนะักอาจจะเท่านั้นแต่พรานใหญ่และพินภัยวานแห่งประเทศไทย และพรานที่หากินอยู่ในเมืองไทยอีกหลายๆคนก็ใช้ปืนขนาดนี้ล้มช้างกระทิงหรือแรดมาแล้วนับไม่ถ้วนโดยที่ฝรั่งผู้สร้างไม่กล้าพวกนั้นถ้าจะเผชิญหน้ากับช้างกันแล้วก็อย่างน้อยต้องจุด470หรือไม่ก็จุด458แมกนัมแอฟริกันเท่านี้ก็พอจะพิสูจน์ได้ชัดถึงน้ำใจและฝีมือของพรานผิวขาวกับพรานของเราว่ามันผิดกันขนาดไหนบ้าง ผมคิดว่าความจริงก็น่าจะถูกต้องตามทฤษฎีของเขาครับแั้วพินกล่าวพร้อมกับยิ้มน้อยๆอย่างสุภาพสำรวม <ừ. S 1> การร่าสัตว์ที่ถือหลักปลอดภัยที่สุดโดยอำนาจของกระสุนที่ประมาณให้เหนือไว้จัดว่าเป็นวิธีร่าที่ถูกต้องทีนี้พรานบ้านเรายังจะเป็นต้องทนใช้อาวุธอนุภาพต่ำยิงสัตว์ใหญ่เกินกําลังของปืนไปนั้นก็เนื่องมาจากสภาพการเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปบีบบังคับอยู่ ผมเชื่อว่าพลานเมืองไทยทุกคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยอยากจะมีอาวุธล่าสัตว์ดีๆไว้ใช้ไปจํามือกันทุกคนทีนี้ประการแรกอันเป็นข้อติดขัดสําคัญยิ่งก็คือทุนทรัพย์ปืนล่าสัตว์ขนาดใหญ่ด้วนเป็นปืนไรเฟิลแฝดทั้งสิ้นราคาอย่างเบาๆก็เหยียบหมื่นขึ้นไปเป็นอย่างต่ําพลานอาชีพอย่างพวกเราจะมีปัญญาเอาเงินที่ไหนไปซื้อหามาส่วนประการที่สองก็เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในเมืองเรา ที่ขีดขั้นไม่ยอมให้ประชาชนมีอาวุธปืนส่วนตัวโดยมีขนาดของกระสุนเกินกว่าที่กำหนดไว้ให้ซึ่งสำหรับไรเฟิลราสัตว์แล้วขนาดจุด3 7หก็ถือกันว่าใหญ่โขแล้วเท่าที่จะอนุญาตให้พวกผ่านทั่วไปซื้อหามาได้ขนาดจุดสีผมเองก็เคยเห็นนักล่าสัตว์สมัครเล่นชั้นอภิสิทธิ์ใช้กันอยู่เพียงไม่กี่กระบอกเท่าที่ผ่านสายตามายิ่งจุดหแมกนัมแอฟริกัน จุด5 0 0หรือจุด6 0 0ในโตเอ็กซ์เพรสด้วยแล้วผมสารภาพว่าไม่เคยเห็นหรือแตะต้องของจริงมาก่อนเลยเพิ่งจะมาเคยเห็นของคุณชายที่ขนเอามานี่แหละและเท่าที่รู้ๆมาพระราชบัญญัติอาวุธปืนก็ดูเหมือนจะไม่อนุ ญ, ญาตให้สั่งเข้ามาสำหรับประชาชนทั่วๆไปด้วยสำหรับไรเฟิลที่มีแคริเบอร์ตั้งแต่ขนาดจด45หรือ11ม ม, มขึ้นไปยกเว้นอภิสิทธิ์ชน เพราะฉะนั้นถึงแม้โดยหลักการจะถือกันว่าเสี่ยงสักขนาดไหนก็ตามพวกเราก็จําเป็นอยู่เองที่จะต้องใช้ปืนขนาดที่มีอยู่ต่อกรกับสัตว์ใหญ่ขนาดช้างหรือแรดไปตามมีตําเกิดฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับโชคชะตาโชคดีเราก็ฆ่ามันโชคร้ายมันก็ฆ่าเราต่อรองกันอยู่อย่างนี้แหละครับตามความรู้สึกของผมนั้นปืนยิงช้างหรือสัตว์ใหญ่อันตรายอื่นใดก็ตามที่จะจัดเข้าอยู่ในขั้นแน่นอนปลอดภัย จะต้องเป็นปืนที่มีกระสุนชนิดที่ไม่ว่าจะยิงไปถูกส่วนใดของร่างกายมันจะต้องซุดทั่วลงในทันทีซึ่งไม่ใช่ขนาดจุด3 7ม็ห้าแมกนัมแน่ๆน้ำหนักของหัวกระสุนเพียง300เกรนความเร็วสอง0นกว่าฟุตต่อวินาทีและด้วยแรงประทะเพียงประมาณ2ตันครึ่งไม่สามารถจะหยุดช้างบ้าเลือดที่กาลังจะใช้งวงจับเราฟาดให้ล้มลงได้ในพริบตา ถ้าลูกปืนไม่เข้าเป้าหมายสำคัญสุดยอดช้างตัวมันโตเป็นเป้าหมายใหญ่ก็จริงครับแต่เนิน้เต้าบนส่วนหัวของมันอันเป็นจุดตายฉีบขาดนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกับตัวแล้วก็เล็กนิดเดียวและก็มักจะยิงพลาดกันอยู่เสมอในกรณีที่มันฮึดวิ่งเข้าใส่เชิดาจ้องหน้าพลานใหญ่ด้วยประกายตาแจ่มใสระพินคุณรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่าคุณมีอะไรอยู่ในตัว ที่ทำให้เป็นพรานใหญ่ชื่อก้องมาถึงทุกวันนี้อาจเป็นเพราะดวงของผมที่ต้องเกิดมามีอาชีพเช่นนี้กันมังครับนายจ้างสาันสีษะไม่ใช่ดวงหลอกในการที่คนเราจะโยนทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ดวงมันเลื่อนรอยเกินไปเหมือนซัดทอดไปให้อะไรสักอย่างหนึ่งที่พิสุจน์ด้วยตามไม่เห็นผมจะบอกคุณให้ก็ได้ความที่เป็นคนถ่อมตัวอยู่เสมอ มีความระมัดระวังอันรอบคอบรู้แจ้งเห็นจริงในอาชีพและไม่เคยประมาทอะไรเลยนี่แหละทำให้คุณเป็นพรานใหญ่มาจนทุกวันนี้ระพินไม่ได้ตอบคาใดนอกจากยิ้มอย่างสำรวมตนเช่นเดิมและจากนั้นเชษฐาก็ไม่ได้พูดอะไรอีกทั้งสองนั่งอยู่ในที่ซุ่มอย่างสงบเงียบรอคอยเวลาที่เสือจะเข้ามากินซาคกวาง ทั้งสองสงบปากเสียงหยุดการพูดคุยกันไปเพียงไม่ถึงสิบนาทีก็มีเสียงกิ่งไม้แห้งหักร่วงลงมาจากต้นไม้ทึบปากคุวยด้านซ้ายมือเบื้องหน้าห่างจากซากของเหยื่อที่นอนอยู่ในระหว่างซอกโขดหินออกไปเล็กน้อยในความเงียบสงบเช่นนี้เสียงของมันได้ยินถนัดเชษฐาขยับตัวอย่างเบาที่สุดกวาดสายตาคมกริบค้นหาไปยังตำแหน่งทิศทางที่มาของเสียงแล้วจำเลืองไปทางพรานใหญ่ เห็นว่าพิญยังคงนั่งนิ่งอยู่ในอาการเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่หูและตาเท่านั้นที่เปิดพร้อมสีหน้าของเขาส่อแหว่งโนเล็กน้อยตะแคงหูเหมือนจะเตรียมสดับจับรหัสการขึ้นไหวของป่าและกำลังอ่านมันอยู่ด้วยความกังขากิ่งไม้แห้งมันหักหล่นลงมาจากเบื้องสูงซึ่งในระหว่างนั้นลงไม่มีต่อมาอีกอึดใจให ญ, ใหญ่ใบไม้อันเป็นพุ่มหนาแน่นของลำต้นไม้เอ็นต้นหนึ่ง ก็มีอาการสั่นไหวที่ผิดธรรมชาติยวบย่าไปมาเหมือนจะมีอะไรเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังอยู่บนนั้นในครั้งนี้พรานใหญ่ค่อยๆขยับตัวจากท่าที่นั่งเอน็นพิงขอนไม้อยู่ก้มชะโงกไปข้างหน้าเพ่งไปยังจุดหมายที่หนึ่งในเงาเมื่อสรวของซุ้มเถาวัลย์บนคาคบไม้เองต้นนั้นเชิฐถาก็พุ่งสายตาตามด้วยประสาทของการค้นหาที่ว่องไวทันกันตาเขียวคู่หนึ่ง ปรากฏอยู่ในเงาตะคุ้มสรวของขาคบไม้ที่ทึบไปด้วยใบเถาวันนั้นบางขณะก็เห็นชัดบางขณะก็หายไปแต่สิ่งที่ยืนยันฟ้องชัดคือเครือเถาวันและกิ่งไม้บริเวณนั้นซึ่งยังคงไหวอยู่เป็นระยะอีกอึดใจใหญ่ของการเพ่งจับมองชนิดตาไม่กระพริบเงาดำปลอดของหมันก็ค่อยๆโผล่ออกมาเห็นถนัดเพียงส่วนขาข้างหนึ่งที่เหยียบอยู่บนคบไม้เท่านั้น ก็บอกได้ในทันทีว่ามันคืออะไรเช่ถาขยับตัวเบาๆอีกครั้งมือทั้งสองจับปืนในท่าเตรียมพร้อมเพียงแต่ยังไม่ได้ยกขึ้นประทับกับไหล่เท่านั้นมือของพรานใหญ่แตะแผว ล, ลงมาที่บ่าของเขาเหมือนจะเป็นการเตือนให้ใจเย็นไว้ก่อนเจ้าเสือดำชะเง้อชะแงกวาดดวงตาคมวาวอย่างระแวดระวังไปรอบด้านแล้วค่อยๆตาจากคบสูงลงมายังกิ่งต่ำเป็นระดับ จะรถจ้องเมียงมองไม้ไปยังซากของเหยื่อที่นอนอยู่ในระหว่างซอกโขดหินเบื้องร่างไม่ห่างจากกิ่งไม้ที่มันอยู่ลงไปเท่าใดนักและอึดใจต่อมานั่นเองมันก็เพ่นลงมายัางพื้นดินว่าทางปัดไปมาช้าช้าเหมือนแมวเดินย่องเกรววนเวียนอยู่สองสารอบริมโคนไม้ใหญ่ต้นนั้นส่งเสียงคำรามออกมาเบาๆในลาคอตัวของมันเขื่องพอดูขนอันเรียนเกลียนเป็นสีดํามันระยับราวกับกำมยีด เป็นพื้นดำสนิทแท้ๆไม่มีร่องรอยของจุดดาวที่ผสมปะ ป, ะปนอยู่เหมือนบางตัวไอ้ดำปลอดย่องใกล้ซากวางเข้ามาเป็นลำดับอย่างแช่มช้าเยือกเย็นเดินกลายลากหางวนอยู่รอบๆกลับไปมาอยู่สองสามเที่ยวแล้วซุดตัวลงหมอบกัดแท้กินซากนั้นอย่างสบายใจไม่เร่งรอ้อนหรือแสดงอาการตะกุมตะการหิวโหยอะไรนะักหันส่วนหัวด้านหนึ่งมาทางซุ้มไม้ ที่เชิฐาและระับินนั่งซุ่มอยู่เป็นมุมตรงเชิดฐากับพิบตางงงหันไปจ้องหน้าพรานใหญ่เหมือนจะถามรับินเองก็มีสีหน้าประหลาดใจเช่นกันทำมือเป็นภาษาใบบอกให้ในายจ้างของเขาทราบว่าเจ้าเสือดำตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวการสำคัญเจ้าของเหยื่อเดิมที่กัดกวางทิ้งไว้เพราะจากร่องรอยที่เขาตรวจดูแล้วมันเป็นรอยของเสือโคร่งเจ้าดำโผลออกมาพบซากเหยื่อโดยบังเอิญ หรือโดยตามกลิ่นมาแล้วก็ถือโอกาสยึดครองเสียอย่างภาคภูมิเชษฐาเข้าใจความหมายตามภาษาบุ้ยใบของเขาและก็ไม่ได้บปิทับปืนขึ้นแสดงว่ายังไม่ต้องการจะยิงขณะนั่นเองระหว่างที่พากันจ้องตางงๆกันอยู่กลิ่นสาบอย่างแรงก็โชยมากระทบจมูกมันลอยมาจากใกล้ๆนั่นเองดูคล้ายๆกับว่าที่มีของกลิ่นจะอยู่ห่างจากทั้งสองเพียงไม่กี่วา ทั้งเชิฐถาและพรานใหญ่บังเกิดความเอกใจพร้อมกันครั้นแล้วก่อนที่จะมีเวลาพิจารณาสิ่งใดนั่นเองเสียงคำรามกระหึ่มก็ดังขึ้นบนชะ ง, ง่อนหินผาที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้เบื้องบนศรีรษะที่ต่างพากันนั่งหลบซุ่มอยู่กลิ่นสาบสางยิ่งรอยตลบลงมาสัมผัสจมูกแจ่มชัดชะ ง, ง่อนหินตอนนั้นมันสูงขึ้นไปกว่าระดับที่นั่งอยู่เพียงไม่เกินสี่วาเท่านั้นเองพรานใหญ่เหนียวไหลเชถาไวแน่น ดึงให้เอ็นตัวเบนหลบเข้ามาชิดฝาผนังโพรงหินผาที่นั่งซุ่มกันอยู่ใบไม้แห้งและกรวดดินบางส่วนร่วงพูลงมาจากชะงอนเบื้องบนตอนนั้นกระทบส่วนปลายเท้าของทั้งสองที่โผ ร, รั้าออกไปภาพเหนือศรีรษะขึ้นไปไม่สามารถจะมองเห็นได้นอกจากจะได้ยินแต่เสียงแต่ภาพเบื้องหน้าที่ซ่ากวางตนนั้นเจ้าเสือดาพระออกจากเหยือ่อแยกเขี้ยวอ้าปากคำรามตอบ หูทั้งสองรูไปทางเบื้องหลังหมอบตัวเรียดเกรงอยู่กับพื้นเสียงแผดคำรามจากเบื้องบนและเบื้องล่างที่กันโชกเข้าใส่การดังกล้องไปทั่วบริเวณโดยที่ระพินไม่จำเป็นจะต้องบอกอะไรในขณะนี้เลยเชษฐาก็สามารถจะเข้าใจในเหตุการณ์อันยืดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนนี้ได้อย่างฉับพลันว่าอะไรมันเป็นอะไรประทับปืนขึ้นเตียมพร้อมระหว่างการเสยะเคี้ยวสยายเร็บเข้าใส่กันจากฝ่ายเบื้องล่างที่มองเห็นตัว และฝ่ายเบื้องบนที่ได้ยินแต่เสียงนี้พริบตาต่อมานั่นเองฝ่ายที่โผล่ออกมาจากชะ ง, งอนหินเหนือศีสะก็เผ็นพวดลงมาอย่างพื้นเบื้องล่างชนิดดินร่วงกล่าวเห็นแว บ, บเดียวว่าเป็นเสือรายพาดก่อนสีรายชัดเจนสดใสอันแสดงถึงความหนุ่มแล้วจากนั้นก็เป็นภาพอันพันละวันที่จับตาดูไม่ทันในระหว่างสีดาสนิทกับสีเหลืองสลับดาที่ฟัดกันอยู่ชนมูลคลุกครีไปมา พงไม้สมทุมในระแวกใกล้เคียงหักยับแผลกวิ่นาศเสียงแผดคำรามอย่างกลี้วกลาดดุร้ายประสานการจำแนกไม่ถูกใบไม้ทั้งสดและแห้งกระจายว่อนและคนไปด้วยฝุ่นใกล้เคียงกับซาก ข, ของเหยื่ออันเป็นชนวนเหตุแห่งการปลรลรองเขี้ยวเล็บของเจ้าป่าทั้งสองเชิฐาวาดศูนย์ปืนตามและจับภาพอันฟัดกันกลมอยู่นั้นได้อย่างถนัดหลายครั้งแต่ไม่ปรากฏว่าลายเฟินในมือของเขาจะแผดเสียงระเบิดขึ้นอย่างไรทั้งสิ้น คงประทับเพลงนิ่งอยู่เหมือนจะรังเลใจเช่นนั้นระพินเองเป็นปืนที่สองเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะเพียงแต่รอให้นายจ้างของเขาระเบิดกระสุนนัดแรกขึ้นก่อนเท่านั้นแต่ก็ไม่เห็นเชษฐายิงจึงรีรออยู่ในที่สุดเชษฐาก็ลดปืนลงจากการประทับจรงิงจังกัดริมฝีปากแน่นจ้องตามไม่กระพริบไปยังภาพของการต่อสู้ระหว่างเจ้าเสือดำกับเจ้ารายพาดก่อนคู่นั้นอย่างพึงพอใจ กระซิบออกมาเร็วปือ้อปล่อยมานระพินอย่าเพิ่งยิงมันเป็นภาพที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เห็นพยาศาสต์ชนิดเดียวกันแต่ต่างพันทั้งสองคงฟัดกันติดพันต่อไปอย่างดุเดือดรวดเร็วนัวไปหมดทั้งเคี่ยวและเล็บที่ใช้เป็นอาวุธก็ห้ำหั่นกันเป็นภาพที่น่าตื่นใจยิง่งเจ้าลายได้เปรียบกว่าในขนาดได้น้ำหนักตัวซึ่งใหญ่กว่าเล็กน้อย แต่ลักษณะจากสีสันของมันยังเป็นเสือที่หนุ่มเกินไปส่วนเจ้าดามถึงแม้จะเล็กกว่าก็จริงแต่เป็นเสือที่อายุชะกันกว่าได้เปรียบในความว่องไวดุเดือดได้เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงทั้งสองพันตูกันอย่างชาติเสือชนิดที่ไม่ต้องมีการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยอะไรทั้งสิน้นโดยมีซาของกวางเป็นเดิมพันมันอยู่ที่ว่าใครเหนือกว่าใครเท่านั้น มันนานพอสมควรทีเดียวสำหรับการต่อสู้ระหว่างสองเสือร้ายเจ้าป่าแต่มันดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นอย่างรวดเร็วกะทันหันและจบสิ้นลงในระยะเวลาสั้นหรือเกินสำหรับมนุษย์ผู้ตะลึงมองเป็นสักีพยานอยู่ทั้งสองฝ่ายฟัดกันกลิ้งกลมไปกับพื้นบางขณะขยําติดกันแน่นบางขณะก็กระเด็นห่างกันออกไปแล้วก็เพนเข้าใส่กันอีกดูไม่ทันเอาเสียเลยว่าตัวไหนกัดตัวไหน เพียงแต่เห็นได้ว่าเจ้าดำว่องไวปราดเปรียวกว่ามากและไม่ยอมเปิดโอกาสให้เจ้าลายตั้งตัวติดเสียงแผดคำรามอย่างดุร้ายโทสะของมันบางขณะก็ฟังดูเหมือนเสียงแมวร้องในเวลาต่อสู้กันเพียงแต่สถานสะเทือนสยองใจกว่าในที่สุดเจ้าลายพลาดก่อนอันเป็นเจ้าของเหยื่อโดยชอบธรรมก็กระเด็นห่างออกไปยืนแยกเคี้ยวตัวโกงอยู่ริมพุ่มไม้ตอ น, นึง ส่วนเจ้าดำหมอบูรู่เตรียมพร้อมที่จะพุ่งเข้าใส่อยู่ริมโขดหินใกล้เหยื่อต่างตัวต่างมีทีเหมือนจะหยาดศึกชั่วคราวคุมเชิงกันอยู่เช่นนั้นขนบางส่วนของเจ้ารายพาดก่อนติดอยู่ที่ปากของเจ้าดำมองเห็นได้ชัดอึดใจใหญ่ต่อมาเจ้ารายพาดก่อนก็เป็นฝ่ายจํานวนล่าทับอย่างไม่น่าเชื่อมันค่อยๆเดินเลี่ยงรับพุ่มไม้หายไปอย่างจําใจปล่อยให้คู่ต่อสู้ที่ตัวเล็กกว่าของมันมีชัย รอบครองเหยื่อโดยเสรีต่อไปเชษฐาลืมตาโพรงจ้องภาพนั้นอย่างตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวตะลึงงานไปชั่วขณะส่วนรพินยิ้มออกมาอย่างพอใจชำเลืองมองดูนายจ้างพร้อมทั้งสกิดเตือนให้ตัดสินใจแต่ปรากฏว่าเชษฐาวางปืนรงผ้าตักเฉยมีหนาซ้ำยังทำมือห้ามไม่ให้พรานใหญ่ยิงเจ้าเสือดำตัวนั้นกลายเป็นว่า ทั้งสองคนนั่งนิ่งอยู่ในที่ซุ่มมองดูเสือดำผู้พิชิตตัวนั้นกินเหยื่อของมันต่อไปตามสบายจนกระทั่งมันอิ่มพระออกจากเหยือ่อไปยืนเรียวุ้งท้าร้ยรอยบาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้อยู่ที่ริมพุ่มไม้อีกครู่ใหญ่ก็รับตาหายเข้าไปในพงทึบอย่างเงียบๆทั้งสองเฝ้ามองมันจะรับตาแล้วหันมามองดูตากันเองอีกครั้ง เชฐดาถอนใจออกมาเบาๆแล้วยิ้มตาเป็นประกายคุณคงจะทายใจผมถูกว่าทำไมผมถึงไม่ต้องการจะยิงเจ้าฮีโร่ตัวนั้นพลานใหญ่หัวเราะเบาๆครับก็ใจเดียวกับผมนั่นแหละถึงแม้จะเป็นสัตว์ที่เราหมายล่าแต่เมื่อเราเห็นการแสดงวีรกรรมสมศักดิ์ศรีของมันเราก็ไม่อยากจะฆ่ามันเป็นอันว่าไอ้เสือดาตัวนั้นมันชนะใจคุณชายและผม นี่ว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานนะถ้าเป็นคนผมคงออกไปขอจับมือมันแล้วตัวมันเล็กกว่าไอ้ลายเป็นกองแต่ใจเด็ดกว่าลวดลายก็เหนือกว่าไอ้นั่นใหญ่เสียเปล่ากับสู้ไม่ได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าในระหว่างไอ้ดำกับไอ้ลายไอ้ลายจะเป็นฝ่ายเปิดอ้าวนี่เห็นจะเป็นข้อสรุปได้กำลังว่าเสือดําเหนือกว่าลายพลาดก่อนจอมผ่านคงหัวเราะอยู่เช่นนั้นโครงศรีรษะช้าช้า มันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกครับตามปกติเสือลายพาดก่รมันใหญ่กว่าเสือดำมากและส่วนมากไอ้ดำมันจะไม่กล้าข้องแวะกับเสือลายแต่สําหรับลายนี้ที่ไอ้ลายเป็นฝ่ายถอยไปก็เพราะลายพาดกรตัวนั้นยังเป็นเสือรุ่นหนุ่มอยู่มากฉันเชิงรว่ดลายสู้ไอ้ดำซึ่งเป็นเสือแก่กว่าไม่ได้และตัวก็บังเอิญไม่ใหญ่กว่ากันเท่าไหร่นักแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าสัตว์ตัวเล็กกว่ามันชนะสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ มันก็ทำความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นอีกอย่างหนึ่งถ้าจะพูดกันถึงนิสัยแล้วเสือดำมันดุ ก, กว่าลายพาดก่อนถึงจะตัวเล็กก็จริงเชษฐาลุกขึ้นยืนไปเรากลับกันเถอะผมดีใจที่ปล่อยให้มันรอดชีวิตไปเสียกว่าที่จะยิงมันอีกถึงไม่ได้ยิงเสือสมกับที่ตั้งใจไว้แต่แรกแต่ได้มาเห็นภาพอย่างนี้ก็พอใจที่สุดแล้วเป็นขวัญตาหรือเกินเมื่อมันชนะก็ควรให้มันได้กินเหยื่อ และมีชีวิตรอดไปได้ถ้าไอ้รายเป็นฝ่ายชนะล่ะครับผ่านใหญ่ถามยิ้มยิ้มเชิฐานขมวดคิ้วคิดแล้วทำหน้าตื่นอือหน้าคิดนะถ้าไอ้รายมันชนะผมว่าผมคงจะยิงไอ้รายแน่เพราะเราตั้งใจจะดักยิงมันอยู่ก่อนแล้วนั่นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งการที่สมมุติว่าไอ้รายชนะผมก็คงจะมองไม่เห็นว่ามันจะเก่งกาดหน้ายกย่องเส ร, เสริญ ม, มันสักแค่ไหนเลย เพราะมันเป็นต่ออยู่แล้วตัวก็โตกว่าแล้วผมก็คิดว่ายังไงเสียมันก็ต้องชนะไอ้ดำที่ตัวเล็กกว่าอยู่วันยังข่ามทีนี้รูปการมันกลับตรปัดไปเช่นนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนใจขึ้นมาอย่างกระทันหันไม่รู้ร่วงหน้ามาก่อนว่าจะได้มาเห็นภาพอย่างนี้ไม่งั้นแทนที่จะถือปืนผมถือกล้องมาแล้วทั้งสองหัวเราะให้กันอีกครั้งแล้วชวนกันเดินบ่ายหน้ากลับแคมป์พร้อมกับสนทนากันมาเบาๆตามสบาย ไม่คิดหมายที่จะเล่าอะไรอีกสําหรับบ่ายวันนี้ที่บริเวณปางพักชายยานนอนอ่านหนังสืออยู่บนก้อนหินพื้นเรียบใต้รบนไม้ใหญ่ดิมเต้นแล้วก็เลยม้อยหลับไปดารินนั่งคุยค่าเวลาอยู่กับพวกลูกหาบดิมร้า น, นาเนื้อย่างเนื้อฟังพวกนั้นเล่านิทานสารพัดเท่าที่จะอุบัติขึ้นได้ในป่าส่วนมากก็เป็นเรื่องพูดฝีปีศาจความดุร้ายของเสือสมิงที่มีวิญ ญ, ญาณตายโหงสิง และความรีรับมหัศจรรย์นานาประการลูกหาบทุกคนรักไข้นับถือในความไม่ถือตัวของร่อนที่ลงมาครุกคลี ด, ด้วยอย่างใกล้ชิดตะวันบ่ายคล้อยตามลงเป็นลำดับเกือบจะได้เวลาหุงหาอาหารข้าผู้ที่ส่งให้ไปเอาเนื้อกะทิงยังไม่กลับบุญคำและจันคุมพวกลูกหาบจำนวนหนึ่งออกไปหาฟืนในดงใกล้ๆแง่ท า, ายผู้เริ่มนอนตั้งแต่ตะวันขึ้นเพิ่จะตื่นเมื่อสักครู่นี้เอง หนุ่มกะเหลี่ยงพนเนจรคนรับใช้ประจำแคมป์กำลังง่วนอยู่กับการก่อฟืนติดไฟเพื่อเตรียมการหุงหาสำหรับคณะนายจ้างทำงานง่วนอยู่คนเดียวเงียบๆไม่สุงสิงกับใครทันทีนั่นเองโดยไม่มีใครเฉลียวคิดคาดฝันมาก่อนเลยเสียงช้างร้องขึ้นสะเทือนป่าดังออกมาจากกริมดงใกล้ๆอย่างกระทันหันเวลาติดติดกันก็มีเสียงปืนลูกซองระดมระเบิดขึ้นเสียงแส่ พร้อมกับเสียงร้องตะโกนเ อ, อะอะของคนฟังไม่ได้สับเสียงป่าถรมโครมครามไม้ไร้หักพังพินา娜ดังใกล้เข้ามาทุกคนในแคมป์พากันท h ่ึงพวดขึ้นยืนด้วยความตื่นตะลึงไม่มีปัญหาเสียงปืนที่ดังขึ้นคงจะต้องมาจากพวกบุญคำจัน์และลูกหาบที่ออกไปหาฝืนนั่นเองคนเหล่านั้นเผชิญหน้ากับช้างป่าเข้าโดยที่คงไม่มีการรู้ตัวร่วงหน้าก่อนที่ฝ่ายในแคมป์จะทันไว้ตัวตื่นจากอาการตะลึง สุ้มไม้ทางด้านขวามือของบริเวณปางพักก็หักพิน้าราบเป็นทางภูเขาลูกหนึ่งบุกตรุยอย่างรวดเร็วออกมาจากโพงด้านนั้นม้วนงวงครึ่งวิ่งเหยาะเหาะตรงรีเข้ามายัางบริเวณปางพักอย่างกระหายชีวิตความอึงโอนโกราหนบังเกิดขึ้นเป็นจ้ารวันในบาดนั้นเสียงพวกลูกหาพร้องเอ็ดอึงและเพ่นกันแตกกระจายไม่รู้ทิศทางอย่างขวัญไม่อยู่กับตัวเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างกระชั้นจิตปัจจุบันทันด่วน เกินกว่าที่ใครจะควบคุมสติได้ทันร่างอันใหญ่โตมโหฬาร น, นั้นตะกุยเข้ามาถึงใจกลางบริเวณแคมป์เสียแล้วดารินวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเพ่นเข้าไปหลบอยู่หลังพู้ตนต้นกลางใหญ่พร้อมกับกระชากปืนสั้นจุดสามห้าเจ็ดที่ติดอยู่ในซองข้างเอวออกมาด้วยสันทาจยานมากกว่าที่สมองจะสั่งการหล่อนสับไกาตามหลังเจ้าช้างบ้าตกมัน ที่วิ่งเฉียดผ่านหน้าตรงเข้าไล่ลูกหาบที่แต่คืออนระเวงเหล่านั้นออกไปติดติดการสองนัดซ้อนเสียงกระสุนปืนสั้นระเบิดกึกก้องแต่อำนาจของจุดสามมห้าเจ็ดแมกนัมจากปืนสั้นในมือของรอนจะยังประโยชน์อันใดแต่น้อยก็หาไม่ร้านย่างเนื้อที่ขวางอยู่เบื้องหน้าของมันถูกชนประทับหักคลื่นย่อยยับลงในพิบตา เกวนเปล่าอีกคันหนึ่งถูกกระชากล้มตะแคงลงกับพื้นแล้วเหยียบหักลงทั้งแถบชายยานนั้นพอตกใจเสียงปืนและเสียงร้องเอะอะลืมตาลุกพรวดขึ้นจากแท่นหินที่นอนหลับอยู่เห็นช้างป่าวิ่งตรงรีดเข้ามาก็กระโจนลงจากแท่นหินวิ่งตรงเข้าไปที่เต็นท์เพื่อจะเอาไรเฟิลร่างของอดีตนายทหารปืนใหญ่อยู่ในทิศ ท, ทางการอ า, อารวาสเบื้องหน้าของมันพอดีเจ้าสีดอบ้ามันระความสนใจจากลูกหาและสิ่งของอื่นๆ แผดเสียงร้องร่างวิ่งกวดตามหลังชายยันไปติดติดเสียงใครต่อใครหลายคนรวมทั้งดารินตะโกนไล่หลังให้เขาหลบเข้ากำบังข้างทางเสียก่อนแต่ชัยยันไม่ได้ยินเสียงแล้วในขณะนั้นคงมุ่งหน้าวิ่งตรงเข้าไปที่เต็นท์พรวดแหวกโจมเข้าไปแล้วเพ่นเข้าไปยังราวปืนยังไม่ทันที่เขาจะคว้าไรเฟิลขึ้นมาสายเต็นท์ที่ขึงด้านหน้าก็ถูกงวงฟาดขาดพินาณเต็นท์ที่ขึงตึงขาดหัวลงมากองอยู่กับพื้น ชายยานหันขวับมาเห็นเพียงพริบตาเดียวก็กระโจนหนีอย่างขวัญบินล้มลุกคลุกคลานพยายามจะรอดหนีออกไปทางปลายเต็นท์ฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่กระโจมผ้าใบใหญ่ทั้งหลังถูกกระชากฟาดลงมาม้วนคลุมพื้นหลักยึดทั้งสี่ด้านถอดหลุดจากดินที่ปักอยู่เสียงข้าวของสัมภาระหีบรางถูกเหยียบตักถูกเหยียบแตกหักดังส น, นั่น ลำตัวส่วนร่างของชายยันถูกม้วนคลุมอยู่ภายใต้ผ้าเต็นท์ผืนนั้น